<Book> <55. S 3> บุ๊กทูห้าสิบห้าอยากให้รดูการทำงานปานิคุณทำอาชีพ อ, อะไรคะมีรเรย์เจนเชสตุนดารุสามีดิฉันเป็นแพทย์คะ่ะนาเบร์ตาดอกเตอร์ ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงนี่นุปป ต, ติมนัสกาปานเจสตูนานอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนานต้นเดืนเรนี่เมมามาปินชันดูโกโบตนาโมแต่ภาษีสูงมากการีปัพ น, น, นุโลชัละเอะกูเกอในและคาบประกันสุขภาพก็สูง มาริโออารุกย์เบหิมาคาริโดย์กวัวหนูอยากเป็นอะไรในอนาคตมีรี่เอมอุดมันกุฎุนารุหนูอยากเป็นวิศวกรนี่หนูนเจเนียร์อดันกุฎุนานุหนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลายัยนี่หนูคอลเลจิกเวลดามันกุฎุนาน ดิฉันเป็นพนัก ง, งานฝึกหดัดเนนุสิก์ชนพันุตุนะาวิทยาธนิดิฉันมีไรายได้ไม่มากน่ากสัมปะทะนายเอกกุวราดูดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศเน้นวิเดเซนโลสิกชนปันุตุนะวิทยาธนินี่คือหัวหน้าของดิฉันอายนะมาเยอมานี ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนากูมันชิสะโฮดโยกุลุนนารุเราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอเมย์มันดารันตารจุมาดยานัเกฟกีเวลตามดิฉันกำลังมองหางานนี่ในบกวุญโยกุงกซัมเวตุกุตุนารุดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว